สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิธมพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิพูตอนที่สามรอยห้าสิบเอ็ดเรื่องชายตาบอดแต่กำเนิดซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเป็นข้อคิดให้กับพวกเราก็คืออยู่ในข้อที่ยี่สิบแปดครับความจริงแล้วถ้าเรา ลองอ่านดูนะครับตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบสี่จนถึงข้อที่สามสิบสี่นั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่บิดามารดาของเขาพูดว่าเขาโตแล้วให้พวกฟรีสีให้พวกเพื่อนบ้านพากันไปถามเจ้าตัวเองเถิดข้อที่ยี่สิบสี่นะครับพระวจนะพระเจ้ากล่าวอย่างนี้นะครับโปรดฟังพระวนะของพระเจ้าคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรกับตาของเจ้าจึงหายบอดอชายคนนั้นจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว แต่ท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือเขาทั้งหลายยึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเป็นสิทธิ์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าชายผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นก็ยังทาให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด พวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใด ย, ยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระไตยพระองค์พระองค์ก็ส่งฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครได้เคยได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่ตาบอดแต่กําเนิดมองเห็นได้แต่ท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทาได้ ทองหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและเองจะมาสอนเราหรือแล้วเขาก็อับไปหิคนนั้นเสียพี่น้องครับมีสิ่งที่น่าคิดมีข้อสังเกตหลายอย่างในภานคกัมพีตอนนี้คนตาบอดคนนี้ได้เป็นพยานถึงพระเยซูเขาเป็นพยานถึงพระเยซูยังไงครับเขาไม่ได้เป็นอะไรที่วิสามาระหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ ที่สําคัญประการแรกก็คือว่าเขาพูดในสิ่งที่เขารู้ในข้อที่ยี่สิบห้าครับเขาตอบว่าพระเยซูเป็นคนบาปหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่สิ่งเดียวที่เขาทราบก็คือเดิมนั้นเขาเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้เขามองเห็นแล้วเรามาฟังดูนะครับเขาพูดว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วเห็นไหมครับนี่คือคําพยาน ในชีวิตของเราเราจะเป็นพยานถึงประสบการณ์เดิมเราเป็นอะไรเดิมเราเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรหลังจากที่พระเยซูได้ทำการอศัศจรรย์ได้ทำอะไรกับชีวิตของเราแล้วเป็นนะครับนี่เป็นประการแรกที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะเป็นพยานครับเราบอกกับคนอื่นว่าแต่เดิมผมเป็นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้า ผมเป็นเหมือนอย่างที่คุณเห็นนั่แหละรครับนี่คือประการแรกประการที่สองครับเราจะมาเห็นนะเราจะมาดูนะครับว่าเขาตอบเป็นไงต่อหลังจากที่พวกฟอริสีนั้นโต้อตอบกับเขาฟอริสีก็พยายามจะให้เขานั้นเป็นคนผิดให้ได้ฟอริสีพูดกับเขาครับบอกว่าเขาทําอะไรกับเจ้าบ้างเขาทําอย่างไรตาเจ้าจึงหายบอก ผู้ชายตาบอดคนนี้ได้ตอบว่าข้าพเ จ, จ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทําไมท่านยังอยากฟังอยากเป็นสาวกของท่านด้วยหรือเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเอ็งเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเป็นสิทธ์ของโมเสสพี่น้องครับตรงนี้นะครับทําให้เราเห็นว่าพวกฟาริสีนั้นเป็นพวกหน้าเชื่อใจโคตรจริงๆครับใครก็ตามที่เขาไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่เขาไม่เห็นด้วย เขากำลังอ้างตัวเองครับว่าเขาอยู่เหนือเพราะว่าเขาเป็นสิทธิ์ของโมเสสชายตาบอกกขาที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูถามว่าใครใหญ่กว่ากันแน่นอนครับเขาเข้าใจว่าโมเสสต้องใหญ่ที่สุดเขาพูดในข้อ29นะครับบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหน ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเน้นนะครับก็คือว่าเมื่อชายคนนี้ตอบนะครับเขาตอบว่าไงครับเขาตอบว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนแต่ผู้นั้นก็ยังทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพี่น้องครับชายคนนี้กำลังบอกประเด็นที่สำคัญว่าผมไม่สนใจว่าพวกคุณจะบอกว่าพระเยซูมาจากไหนผมไม่สนใจความเห็นของพวกคุณ ว่าถูกต้องตามหลักการของใครแต่ผมสนใจว่าพระเยซูรักษาผมหายบอดได้ผมมีความเชื่อของผมว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าทําตามน้ํมัไทยของพระองค์พระองค์ก็ส่งฟังผู้นั้นพี่นรองครับนี่เป็นประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากชายตาบอดคนนี้ครับ รู้ถูกต้องมากกว่าพวกยิวพวกฟาริสีเสียอีกเขารู้ครับว่าเขาไม่ต้องสนใจว่าพระเยซูจะมาจากไหนแต่สิ่งที่พระเยซูทาทำให้ผมมั่นใจหรือข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าแน่นอนอย่างน้อยที่สุดพระเยซูเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา แต่เมื่อพระเยซูต้องการรักษาใครพระเจ้าก็จะรักษาผ่านทางพระเยซูได้นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สองครับประเด็นสุดท้ายครับในเช้าวันนี้ในข้อ32 33 34เขาอธิบายหรือเขาสอนพวกฟาริสีครับเขาสอนว่าไงครับเาสอนว่าตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กาเนิดมองเห็นได้ ดันั้นครับชายตาบอดนี้แทบจะไม่มีโอกาสที่จะหายเลยนะครับโอกาสหายของเขาเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีโรคมาแล้วไม่มีปรากฏการณ์ที่ว่ามีใครรักษาตาของคนที่ตาบอดแต่กําเนิดให้มองเห็นได้ข้อสาที่สามครับถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทําได้พี่น้องครับนี่คือประเด็นที่สามที่คนตาบอดคนนี้ ได้ยึดมั่นในหลักการและหลักเหตุผลถ้าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ไม่สามารถทาได้เพราะพระเยซูมาจากพระเจ้าครับพระองค์สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคในขณะเดียวกันพระเยซูทาได้ทุกอย่างแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่พระเยซูทํานั้นจะต้องถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูทำนั้ น, ก, น, น, น, นก็จะต้อง มีน้ำมัไทยของพระองค์แผนการของพระองค์เพื่อให้พระราชิจของพระเจ้าปรากฏและมีพระประสงค์ต่อชีวิตของผู้รับการทำการอัศจรรย์ี่รังคับสุดท้ายครับในก้อถา4สิบสี่เขาทั้งหลายตอบชายตาบอดคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งสิน้นและเองจะมาสอนเราหรือและเขาก็อับไปหีคนนั้นเสียพี่รงครับ คนที่มีอคติอยู่ในใจพวกที่เป็นมาเฟียในธรรมศาลาเป็นผู้นําของธรรมศาลานะครับพวกนี้เป็นคนที่น่าซื่อใจคดครับเมื่อเขาปฏิบัติต่อพวกเขานะครับเขาก็จะรักเพื่อนเพื่อนพ้องพวกพรรคพวกเข้าข้างกันแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคพวกเขาเขาก็จะกําจัดและอับไปหีคนนั้นเสียโดยยัดเยียดข้อหาครับ ยัดเยียดข้อหาว่าไงครับยัดเยียดข้อหาว่าเอ็งเกิดมาในการบาปทั้งสิ้นเอ็งจะมาสอนเราหรือพี่น้องครับสองประการด้วยกันครับยัดเยียดข้อหาว่าเขาเกิดมาในความบาปเพราะฉะนั้นเขาจึงตาบอดและเวลานี้เอ็งมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสอนพวกเราในที่สุดการอัยเบหตเกิดขึ้นกับชายตาบอดคนนี้พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะาดูนะครับว่าพระเยซู หลังจากที่ได้ยินว่าเขาได้อัปไปหิพระเยซูพบชายคนนั้นพระเยซูทำอย่างไรต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความถูกต้องและการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูเพื่อน้ำมัทยัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราและสำเร็จในชีวิตของคนอื่นคือเขาได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐอามน